ดินฟ้าได้ดรือชาพระจอมเกล้าผัวคุณมานหิญาณโยอนอนุภาพผู้ทอนไดชะพระยำเกล้าให้คอยคุมมูไพรในเดิม อ, อนอคอยเถพระท้นไทยสถิตในเมืองสวรรค์ปกฤติพน ตอนกลางวันฝน ต, น ต, นตกสิ